ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้เจริญก้าวหน้าเพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นความเจริญที่แท้จริงความเจริญทางด้านวัตถุ ทางด้านลาบยศเสริเสริญสุขนี้ไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริงแต่กลับเป็นความเสื่อมเพราะเวลาที่จิตใจมุ่งมั่นไปสู่การพัฒนาทางด้านลาบยศเสริเสริญสุขก็จะปล่อยปละละเลยคุณธรรมความดีงามที่เป็นองค์ประกอบ ของความเจริญของทางจิตใจนั่นเองสมัยนี้โลกเรามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุมากขึ้นแต่จิตใจของมนุษย์เรากลับเสื่อมลงมากขึ้นมีมีการทาบาป ท, ทากรรมกันมากขึ้นมีโจรมีผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่สร้างความวุ่นวายสร้างความเสื่อมเสียให้แก่สังคมให้แก่ชีวิตของมนุษย์ร่วมโลกที่ต้องอยู่ร่วมกันดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมุ่งไปทางการพัฒนาทางลาบยศเสริญสุดขอให้เรามาพัฒนาจิตใจ ด้วยคุณธรรมเพราะถ้าจิตใจมีคุณธรรมแล้วโลกเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุมจะไม่มีการเบียดเบียนกันจะไม่มีโจรผู้ร้ายจะไม่มีการทําลายกันและกันเพราะจิตใจมีคุณธรรมที่จะยับยั้งหากห้ามไม่ให้ไป ทความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและจิตใจของตนก็จะมีความสุขมีความพอแต่ถ้าเราพัฒนาทางด้านลาบเทศเสริญสุขจิตใจเราจะขาดความเมตตากรุณาเพราะจะมุ่งไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น แล้วเมื่อได้มามากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีคำว่าพอเพราะการได้ลาบยศเสริญสุขมานี้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตใจเกิดความพอนั่นเองจิตใจจะเกิดความพอได้ต่อเมื่อมีคุณธรรมความดีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา พัฒนากันให้เราเจริญกันคุณธรรมที่พูดถึงในวันนี้ก็คือ 1. จาคะความเสียสละ 2. ศีลการไม่เบียดเบียนพูดด้วยการกระทาทางกายหรือทางวาจา 3. ธรรมะคือความอดกลั้น 4. ขันติ ความอดทนนี่แหละคือคุณธรรมที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความอิ่มมีความพอสังคมมนุษย์เรานี้ถ้าทุกคนมีคุณธรรมทั้งสประการนี้รับรองได้ว่าเราจะอยู่กันอย่างมีความสุข ส่วนทางด้านวัตถุนั้นเราก็มีพอเพียงต่อความจำเป็นก็พอแล้วเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่การเจริญทางด้านวัตถุนั่นเองแต่อยู่ที่การเจริญทางด้านจิตใจทางด้านคุณธรรมถ้าทุกคนมีจาระคือการเสียสละมีศีลเช่นศีลห้าไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำร้ายผู้อื่นมีธรรมะความอดกลั้นเวลามีอารมณ์ไม่ปกติก็จะไม่ปล่อยอารมณ์ออกมามีขันติคือความอดทนต่อความทุกข์ยากลาบากต่อปัญหาต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนที่เราสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้ด้วยขันตินี่แหละเราจะสามารถ อยู่เหนือความทุกข์หรืออยู่เหนืออำนาจที่จะฉุดลากให้เราไปทำบาปทำกรรมได้จะอยู่เหนืออำนาจของความโลภความอยากทั้งหลายที่จะฉุดลากให้เราไปทำบาปทำกรรมได้อยู่ที่ขันติและอยู่ที่ธรรมะอยู่ที่ศีลและอยู่ที่จาคะ ดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราสามารถเจริญเราสามารถปฏิบัติสร้างคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ให้เกิดขึ้นได้เสมอจากะะแปลว่าการเสียสระเสียสละอะไร ก็เสียสละประโยชน์และความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นบ้างแบ่งปันประโยชน์แบ่งปันความสุขที่เรามีให้แก่ผู้อื่นบ้างอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาแบ่งปันประโยชน์และความสุขให้แก่พระภิกษุษสา ม, มเณรและศรัทธาญาติโยมที่มาอยู่วัดมาอยู่ปฏิบัติธรรม หรือมาทำบุญร่วมกันในวันนี้ญาติโยมก็สละเวลาอันมีค่าที่แทนที่จะนอนใช้เวลานี้นอนหลับพักผ่อนหรือไปทำมาหากินหาเงินหาทองหรือไปหาความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้นกายวันนี้ก็ขอเสียสละความสุขนี้ แล้วก็นําเอาประโยชน์คือปัจจัยสี่เช่นอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคและเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆรวมทั้งเงินทองมาถวายวัดถวายาพระพระเนรที่อยู่ในวัดนี้นี่เรียกว่าเป็นการสละความ สุขและสละประโยชน์ของตนให้แก่ผู้อเป็นการตัดความเห็นแก่ตัวเป็นการตัดความโลภได้อย่างดีเป็นการตัดความตนีเพราะความโลภ ก, ก็ดีความเห็นแก่ตัวก็ดีความตนีก็ดีเป็นเหตุที่จะทำให้ใจเรามีความเศร้าหมอง พอใจจะมีความคับแคบจะมีแต่ความหิวมีแต่ความต้องการจะไม่มีความรู้สึกว่าพอเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเมื่อเราได้มาจาคะมาทำจาคะมาเสียสลับประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้อื่นใจของเราก็จะ มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขมีความพอและมีความภูมิใจที่สามารถเอาชนะความเห็นแก่ตัวเอาชนะความโลภเอาชนะความตระหนี่ได้เพราะเราต้องสนึกอยู่เสมอว่าสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีอยู่นี้ สักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็ต้องจากเราไปการที่จะมาหวงมาห่วงไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจมีแต่จะบีบคั้นจิตใจให้ทุกข์ทรมานไปโดยไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรานำเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ประโยชน์สุขที่เรามีนี้มาแบ่งปันให้กับผู้อื่นมันก็จะคลายความยึดติดคลายความตนีคลายความหวงแหานในสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆทำให้ใจมีความรู้สึกเบิกบานสบายอกสบายใจไม่ต้องมาคอยวิตกมาคอยหวงคอยห่วง กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องจากเขาไปหรือเขาก็จะต้องจากเราไปดังนั้นผู้ที่มีจาคะนี้จะมีความสุขอยู่เสมอและจะทำจาคะให้มากขึ้นไปตามลำดับตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อยู่สี่ ระดับด้วยกันคือเบื้องต้นท่านทรงสอนให้สละสมบัติเข้าของเงินทองสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเช่นเราต้องสละเงินทองเพื่อไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารไปซื้อยาไปเอาเก็บเงินนี้ไว้สำหรับรักษาเวลามีโรคไข้ไข้เจ็บนี่เรียกว่าเป็นการสลับ สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเพราะถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่ไว้ดูแลรักษาร่างกายของเราอวัยวะของร่างกายของเราก็จะต้องเสื่อมไปชำรุดไปอย่างรวดเร็วจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคตับโรคใจโรคลำไส้โรคอะไรต่างๆก็จะเกิดตามขึ้นมาได้ ถ้าเรามีทรัพย์แล้วเราหวงเราเสียดายเรามีความตนหนีไม่กล้าใช้ทรัพย์อันนั้นกลัวจะยากจนถ้าเราตนหนีมากจนเกินไปจนไม่ไม่ดูแลร่างกายให้ได้รับอาหารได้รับการปกป้องด้วยการอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ร่างกายของเราก็จะชำระชุดสมได้ดังนั้นเวลาเรามีทรัพย์แล้วเราควรจะใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์การใช้ทรัพย์นี้ก็ที่ให้เกิดประโยชน์ก็คือการใช้ในสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเช่เปชนปัจจัยสี่อาหารเราก็ควรที่จะมีรับประทานอย่างพอเพียง เสื้อผ้าก็ควรจะมีไว้สวมใส่อย่างพอเพียงบ้านก็ควรจะเป็นบ้านที่เราสามารถอยู่หลบแดดหลบฝนหลบภัยอันตรายต่างๆได้แล้วก็มียาหรือมีเงินไว้สำหรับเวลาที่จะต้องไปหาหมอไปรักษาตนเองที่โรงพยาบาล การใช้เงินแบบนี้นั้นไม่ถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยไม่ถือว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาแต่เป็นความจำเป็นในการที่จะดูแลรักษาร่างกายเพราะเรายังต้องอาศัยร่างกายนี้มาพัฒนาจิตใจของเราจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในขั้นต่ำมากเมื่อเราเปรียบเทียบกับจิตใจของพระพุทธเจ้า กับพระอาหารหันตสาวกถ้าเปรียบก็เหมือนเรายังอยู่ชั้นอนุบาลส่วนจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับผู้ที่ได้รับป ร, ริญญาเอกแล้วพวกเรายังต้องมีการพัฒนากันอีกมากและเราก็ต้องอาศัยร่างกายนี้ถ้ามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราก็จะสามารถพัฒนาจิตใ จ, จของเรา ได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าร่างกายของเราไม่แข็งแรงเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่สามารถพัฒนาจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างเคร่งครัดได้อย่างเต็มที่นั่นเองดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องจาคะคือต้องสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะของร่างกายให้ทำงานให้เป็นปกติถ้าจะต้องรักษาต้องเสียเงินเพื่อรักษาอวัยวะต่างๆก็ต้องพร้อมที่จะเสียเพราะอวัยวะของเรานี้มีคุณค่ากว่าเงินทองเงินทองเป็นของนอกกายมีเงินทองกองเท่าภูเขาแต่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น จะเป็นประโยชน์อะไรถ้าจะให้เลือกระหว่างความเจ็บไข้ได้ป่วยกับเงินทองนี้เราจะเลือกอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนแล้วว่าให้เลือกสุขภาพที่ดีให้รักษาอาวัยวะด้วยจาคะนะงที่ทรงเคยตัดไว้ว่าอรูยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันเป็เกิความไม่มีโรค โรคภัยไข้เจ็บนี้เป็นลาบมากกว่าการได้เงินได้ทองมาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกลับให้เป็นโรคมะเร็งนี้เราจะเอาอะไรเป็นโรคมะเร็งก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินนี้ที่ได้จากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปหาความสุขได้เพราะร่างกายจะเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาและจะรอความตายเท่านั้น มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถที่จะรักษาโรคมะเร็งให้หายได้อย่างมากก็อาจจะถ่วงเวลาความตายให้ยื่นออกไปหน่อยเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีราบก็ขอให้เรามีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ด, ดังสุภาษิต ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว อรขยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นรากอันประเสริฐดังนั้นอย่าไปเสียดายเงินทองที่เรามีขอให้เราดูแลรักษาร่างกายของเราและญาติสนิทมิสหายหรือครอบครัวของเราให้อยู่อย่างปกติสุดคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปเสียดายเงินมีเงินใไวัยนี้ก็เพื่อที่จะมารักษาร่างกายนี้เองต้องเสียเท่าไหร่ก็ต้องเสียตาไม่ดีต้องไปผ่าต้องไปทําต้องไปรักษาก็ต้องทําหูไม่ดีก็ต้องทําแขนขาไม่ดีก็ต้องไปทําให้มันดีให้ได้เท่าที่เราจะทําได้นี่เรียกว่าการจาคะ คือให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะแล้วขั้นที่สองท่านก็สอนให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสมมติว่าอวัยวะนี้รักษาไม่ได้ถ้าเก็บเอาไว้แล้วจะทำให้เสียชีวิตได้ก็ต้องตัดอาว้เอาอวัยวะส่วนนั้นไปเช่นเป็นมะเร็งในส่วนไหนถ้าเก็บเอาไว้แล้วมันจะลาม ก็ต้องยอมตัดอวัยวะส่วนนั้นไปเพื่อรักษาชีวิตเอาไว mm hmm. ้เพราะถ้ายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังทำความดีได้เรายังหาความสุขได้เรายังพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปได้ต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ถ้าจำเป็นจะต้องเสียส่วนใดส่วนหนึ่งไปในการเพื่อที่จะรักษาให้ชีวิตอยู่ต่อไปได้เราก็ต้องเสียสละอวัยวะส่วนนั้นไปประการที่สาแท่านก็สอนให้สละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมความดีงามเพราะคุณธรรมความดีงามนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิต ถ้าเราต้องตายไปเพราะอดอยากขาดแคลนเพราะเราไม่กล้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปลักทรัพย์ไปลักขโมยเพื่อไปหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราหรือมารักษาร่างกายให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเรายอมตายดีกว่าที่จะไปทาบาปทากรรมอย่างนี้เป็นการเสียสละที่ ได้ประโยชน์ดีกว่ายอมเสียสละคุณธรรมแล้วรักษาชีวิตเช่นไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเราให้อยู่ต่อไปได้สิ่งที่เราได้ก็คือชีวิตของร่างกายนี้ที่จะอยู่ต่อไปอีกแต่ในที่สุดสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องตายไปอยู่ดี แต่ส่วนที่เราเสียไปก็คือคุณธรรมความดีงามเช่นศีลธรรมนี่ศีลธรรมนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าร่างกายหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกันเพราะเหตุใดเพราะศีลธรรมนี้จะปกป้องรักษาไม่ให้ใจไปเกิดในอบายไดนั่นเองผู้ที่มีศีลธรรมเช่นพระอริยาเจ้าทั้งหลาย ท่านปิดประตูอบายได้อย่างสนิทปิดได้อย่างร้อยเปอร์เซนชีวิตของท่านภบชาติของท่านจะไม่มีการจะต้องไปเกิดในอบายอีกเลยถึงแม้ว่าเคยทําบาปทํากรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่เวลาที่ท่านตายไปท่านจะไม่กลับไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรต หรือไปตกนรกเพราะท่านมีจาระะอันสูงสุดนี้คือท่านพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาศีลธรรมคุณธรรมความดีงามไม่ใช่พร้อมที่จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาชีวิตหรือรักษาประโยชน์สุขของตนอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ทำกัน ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขหรือเพื่อรักษาชีวิตของเรายอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยอมรับทรัพย์ยอมประพฤติผิดประเวณีขายเนื้อขายตัวยอมโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะรักษาชีวิตของตนให้อยู่รอดไปวันวันหนึ่งนี่เป็นความคิดของเดรัจฉาน เป็นความคิดของเปรตความคิดของสัตว์นรกจะคิดอย่างนี้ถ้าเป็นความคิดของมนุษย์ความคิดของเทพความคิดของเทวดาก็ต้องคิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดคือต้องพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาคุณธรรมเช่นศีลธรรมเพราะถ้าเรารักษาได้ถึงแม้ร่างกายจะตายไป เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และจะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิม <S <S <an> <S ก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ไปรับรางวัลในสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมไปก่อน <S <S <an> <S จนกว่าบุญของเทพบุญของพรหมนั่นหมดไปเราค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิม มีความสุขมากกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมมีเป็นอำนาจของจาระะอันสูงสุดที่เรายอมสละชีวิตของเราเพื่อที่จะรักษาคุณธรรมเช่นศีนลธรรมให้อยู่คู่กับจิตใจของเรานี่คือเรื่องของจาระะเป็นอย่างนี้ ขอให้พวกเราพยายามเจริญจากะค์กันให้มากอยู่ที่ไหนอยู่กับใครขอให้เรามีการเสียสละถ้าเราต้องแยง่งต้องแข่งแย่งชิงดีกับผู้อื่นขอให้เรายุติขอให้เราเสียสละสิ่งที่เราอยากได้นั้นให้แก่ผู้อื่นเขาไปถ้าเขาอยากได้ก็ให้เขาไปหรือถ้าเราจะแข่งขันกัน ก็ขอให้เราแข่งขันในกรอบของคุณงามความดีคือจะไม่ใช้วิชามารจะไม่ใช้การทําบาปทํากรรมเพื่อที่จะให้ชนะให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการมาเพราะจะได้ไม่คุ้มเสียสิ่งที่เราได้มานั้นไม่มีคุณค่าเท่ากับคุณธรรมความดีงามถ้าเรายอมเสียสิ่งที่เราอยากได้ เราจะได้จาระเราจะได้คุณธรรมที่จะปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ตกต่ำจะทำให้ใจของเราสูงขึ้นไปตามลำดับเพราะเราจะต้องเสียสละอีกหลายอย่างด้วยกันกว่าที่เราจะถึงขั้นของพระพุทธเจ้าได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านเสียสละมาตลอด ในพพชาติต่างๆนั้นท่านมีแต่การให้อยู่เสมอเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาตลอดสมัยเป็นพระเวชสันดรก็ยอมเสียสละแม้แต่ลูกเพื่อประโยชน์สุขของลูกการเสียสละลูกนี้ไม่ได้เพื่อที่จะให้ลูกไปตกระกรรมลำบากแต่คิดว่าไปอยู่แล้วจะสุขจะสบายนั้น ท่านก็ยินดีที่เสียสละไปแล้วเมมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ยังต้องเสียสละราชสมบัติถ้าอยากจะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องออกบวชเท่านั้นคนที่จะพัฒนาจิตใจถึงขั้นปริญญาเอกได้ในที่สุดจะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตก็ต้องกล้าที่จะเสียเพราะ การยึดติดอยู่ในชีวิตนี้เป็นอุปสรรคต่อมรรคผลนิพพานต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หรือเป็นพระพุทธเจ้าได้นี้จะต้องกล้าตายจะต้องกล้าที่จะสละชีวิตเช่นพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขกริกริยาอดพระกายอาหารถึง4 9่สเวันด้วยกัน นั่นแสดงว่าพระองค์พร้อมที่จะตายแล้วแต่เหตุที่พระพุทธเจ้าต้องกลับมาเสวยพระกายาหารก็ทรงเห็นว่าการอดพระกายาหารเพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอเพียงต่อการบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าต้องเจริญภาวนาด้วยต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาด้วยถึงจะสามารถ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่พระองค์นั้นพร้อมที่จะตายในขณะที่ปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาทรงตั้งสัจจะวาจาไว้เลยว่าจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพนี้ไปจนกว่าจะตัดสรู้ถ้าไม่ตัดสรู้ก็ขอให้ตายไปเท่านั้นทางเลือกมีสองทางถ้าไม่ตายก็ต้องตักสรู้ แต่ที่จะลุกขึ้นมานี้จะไม่เป็นไปอย่างแน่นอนนี่คือการเสียสละที่สูงสุดการเสียสละชีวิตเพื่อให้ได้คุณธรรมคือให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่เองนี่คือการบำเพ็ญของพ่อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เรื่องของการเสียสละเป็นอย่างนี้ ังนั้นพวกเราอย่ามาเสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเล็กๆน้อยๆหรือเวลาที่เราจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำบุญที่วัดเลยนี่เป็นการเสียสละระดับปฐมหรือระดับอนุบาลเท่านั้นถ้าเราอยากที่จะได้ระดับปริญญาเราต้องเสียมากกว่านี้เราต้องสละการคลองเรือนสละสามีสะละภรรยา สละบุตรสละทิดาสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆถึงจะสามารถที่จะบรรลุถึงความเจริญขั้นสูงสุดได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่การเริ่มต้นที่ขั้นปฐมนี้ก่อนตอนนี้เราก็สละเล็กๆน้อยๆไปก่อนทําบุญบ้างวันพระบ้างวันเสาร์วั น, าววนอาทิตย์บ้าง วันเกิดบ้างวันขึ้นปีใหม่บ้างต่อไปก็ทำให้มากขึ้นทำกับวัดก็ได้ทำกับคารวาสก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้กับพี่กับน้องก็ได้กับญาติสนิทมิตรสหายก็ได้ทำกับคนที่ไม่รู้จักก็ได้ทำกับคนที่เดือดร้อนหรือทำกับสัตว์ในรัจฉานก็ได้เหล่านี้เป็นการเจริญจารคะทั้งนั้น เสียสละประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นของตนให้แก่ผู้อื่นแล้วจิตใจจะจะติดนิดสัยการเสียสละความเห็นแก่ตัวก็จะมีน้อยลงไปความโลภ ก, ก็จะมีน้อยลงไปความโกรธก็จะมีน้อยลงไปความขับแคบใจก็จะมีน้อยลงไปความโหดร้ายทารุณก็จะมีน้อยลงไป เพราะจะทําไม่ลงนั่นเองเวลาเกิดความโกรธคิดอยากจะทุบทําร้ายผู้อื่นก็จะทําไม่ลงถ้าจิตใจมีจาคะเพราะคอยคอยดูแลคอยช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดนั่นเองจึงขอให้พวกเราพยายามเจริญจาคะนี้ไว้ให้มากแล้วก็เจริญศีลคือรักษาศีลห้าไว้ให้ดีแล้วก็เจริญธรรม คือความอดกลั้นเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็ให้อดกลั้นเอาไว้อย่าปล่อยออกมาเวลาโกรธใครก็อย่าไปพูดอย่าไปทําอะไรถ้าถ้าหลบไปอยู่คนเดียวได้ก็หลบไปสงบสติอารมณ์ซะก่อนหลบไปเข้าห้องน้ำทำใจให้สงบให้หายโกรธซะก่อนแล้วค่อยออกมาเพราะถ้าเวลาเราโกรธนี้เราจะพูดไม่ดีเราจะทําไม่ดี เช่นเดียวกับเวลาที่โลภ ก, ก็เช่นเดียวกันเวลาโลภมากๆก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีขอให้มีสติดูใจถ้าเราโลภเราโกรธเราต้องใช้ความอดกลั้นอย่าปล่อยมันออกมาแล้วเราจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังเพราะถ้าเราปล่อยออกมาแล้วเราจะไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและกับตัวเราเองถ้าเราค่อยพูดไม่ดีไปทำไม่ดี เดี๋ยวเราก็จะเสียใจเพราะเราจะกลายเป็นคนไม่ดีไปคนอื่นเขาจะมองเราในในแง่ไม่ดีเขาจะคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีได้เราต้องมีความอดกลั้นเวลามีอารมณ์โกรธอารมณ์โลภส่วนขันติก็ให้เรามีความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากต่างๆในชีวิตสองคนเราทุกคนจะต้องมีความทุกข์กันทุกคน จะต้องมีความยากมีความลำบากจะต้องมีปัญหาต่างๆขอให้เราใช้ขันติอดทนอย่าไปทำบาปทำกรรมเพื่อแก้ปัญหาเพื่อแก้ความทุกข์ยากลำบากเพราะมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแต่กับเป็นการสร้างปัญหาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปให้ใช้ความอดทนตั้งอยู่ในอุเบกขาทำใจให้เฉยๆนิ่งๆไว้ ไม่ต้องทำอะไรรอให้มันผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองเพราะไม่มีอะไรที่จะอยู่ไปตลอดไม่มีอะไรจะคงเส้นคงวาความทุกข์ยากลำบากมันก็หายไปได้เราก็มีหน้าที่ทำหมากินก็ทำหากินไปเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เดี๋ยวความทุกข์ยากลำบากต่างๆมันก็จะหมดไปเองนี่คือการพัฒนาจิตใจ ถ้าเรามีคุณธรรมทั้ง4ประการนี้แล้วเราจะตั้งอยู่ในความดีงามได้เราจะไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายได้จึงขอให้พวกเราจงพยายามเจริญคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คือ 1. จาระะการเสียสละ 2. สองศีลการไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3. ธรรมะความอดกลั้นสขันติ ความอดทนถ้าเราจเจริญได้แล้วชีวิตจิตใจของเราจะมีความสุขและความจเจริญมากขึ้นไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระสิรลตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณสุขะภละโดยทั่วหน้าการเธอ